อ่าเดี๋ยวเราขอพูดเรื่องเรื่องจิตหรือใจสักครั้งนึ่งนะให้เกิดความสว่างเต็มที่เลยอนี่เดี๋ยวกลิ่นเอาหายใจยาวๆสักนิดนะพูดถึงขอใช้คําว่าใจแล้วกันเนาะเพราะว่ากายเคลื่อนไหวใจไม่มีไม่มีเต็มที่เลย แต่จริงๆกับใจในบางทีเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันเนาะบางที่นะแต่ว่าก็แล้วแต่วันนี้ก็คุยกันเรื่องจิตเหมือนกันแต่ทีนี้เอาเป็นว่าสิ่งนั้นน่ะตั้งชื่อเป็นสมมติบรญยัิเรียกว่าใจก็แล้วกันเพราะเราใช้เป็นว่ากายเคลื่อนไหวใจรู้ใช่ไหมแต่คนเนี่ยไม่รู้จักใจพูดได้ว่ากายเคลื่อนไหวใจรู้แต่โดยจริงๆริ่ะไม่รู้จักใจว่าไอ้ใจเนี่ยมันเป็นยังไงมีโจทย์ก่อนเนาะทีนี้จะอธิบายให้ฟังว่า ใจเนี่ยเป็นสภาพเป็นสภาวะที่ถ้าใช้คำว่าความว่างเดี๋ยวยมยมจะจินตนาการก็ไปอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าใช้คำว่าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวลองลองดูนะยมเข้าใจีหยนะใจคือสภาพที่เป็นความไม่มีไม่มีคือว่างเปล่าไม่มีคือตรงข้ามกับความมี น่าจะเข้าใจได้นะถ้ามีก็คือมันมีใช่ไหมมีเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่แต่ใจเนี่ยเป็นความไม่มีเห็นไหมมันจะตรงกันข้ามกับความมีะแต่ความไม่มีเนี่ยมันแปลกอย่างมันรู้อะไรได้ทุกเรื่อ ง, งรึกออกไหเอออ่าถ้าอุปมาก็เหมือนกับว่ากายมันมีกายมีแต่กายมันรู้อะไรได้ไหมกายรู้อะไรไม่ได้แต่ที่รู้ได้คือใจถูกไหม มันแปลกอ่ะกายเป็นสิ่งที่มีแต่มันรู้อะไรไม่ได้แต่ใจเป็นสิ่งที่ไม่มีแต่ดันมารู้อะไรได้รู้กายก็ได้นึกออกหโอเคนี้ก่อนเพราะฉะนั้นพูดใหม่ก็คือว่าในโลกนี้ยคนรู้จักเปสิ่งที่มีเช่นรู้จักก่ากายมีอารมณ์ความคิดความเฉยเฉยมีถูกไหมแล้วถามว่าไอที่มีเหล่านี้ อะไรไปรู้ก็คือใจไปรู้แต่ใจเป็นสิ่งไม่มีแต่มันดันรู้ได้โอเคพอมองเห็นออกเนาะทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อใจเป็นสิ่งไม่มีใจก็เอาลองเทียบกับกายกายมีการมีการเคลื่อนไหวขยับได้เคลื่อนไหวได้ถูกไมเนี่ยกายเคลื่อนไหวแต่กายเองมันไม่รู้หรอกว่ามันเคลื่อนไหวได้หรือขยับได้แต่ใจเป็นคนรู้ แต่ใจนี่สิมันไม่เคลื่อนไหวมันไม่ขยับเพราะมันเป็นความไม่มีแปลกนะแต่มันรู้การเคลื่อนไหวของกายได้ว่าเคลื่อนไหวเลยนะอย่างว่าีนี้แต่ใจเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสภาพที่มันไม่มีแต่มันรู้กายได้ว่าเคลื่อนไหวรวมถึงกายในกายมันมีความเจ็บความปวดความเมื่อยความเจ็บความเมื่อยมันรู้ตัวเองไหมไหมไม่ได้อะไรไปรู้ใจ ก็ความไม่มีอยู่ดีก็ไปรู้ความมีเพ้อแปลกไหมอ่ะทีนี้พอมาเป็นอย่างนี้เรามองถึงกฎไปรักว่ากายเนี่ยอยู่ภายใต้กฎไปรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตากาย น, นะแต่ใจใจไม่ใช่เป็นกายใจไม่ใช่กายแล้วใจก็ไม่มีเป็นความไม่มีแต่มันรู้ของความไม่เที่ยงของกายได้ว่ากายมีการเปลี่ยนแปลงมีการ ตั้งอยู่มีการเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนมันรู้หมดเลยอะแต่ใจเนี่ยเป็นความไม่มีมันรู้ได้เพราะฉะนั้นใจเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เพราะมันไม่มีไงแล้วก็นี่พูดถึงนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติถูกไหมมันไม่ได้เกิดดับอ่าไม่ได้เกิดไม่ได้ดับเพราะว่ามันไม่มีจะเกิดไม่มีอะไรจะดับเออเป็นความไม่มีอ่าเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอ้นี้คือที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมชาติ กายก็เป็นธรรมชาติเนาะความไม่ม <eds> ีที <W uffy vens> ่เ <nelle> รียกว่าใจนี้ก็เป็นธรรมชาติรวมความแล้วก็คือทั้งกายทั้งใจล้วนเป็นธรรมชาติเนี่ยมาเรื่องมาตัวตนอยู่แล้วตัวตนเราก็ไม่เคยมีมาก่อนมีแต่กายที่เกิดขึ้นมาอย่างที่บอกแล้วแต่ความไม่มีเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยแล้วไม่เคยหายไปไหนแล้วก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเป็นอะไรหมดเลยใจนี่แหละจริงสิ้น ใจนี้จึงพ้นไปจากกฎไจลักพ้นไปจากทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหใจไม่เป็นอะไรเลยใจไม่เป็นอะไรเลยหน้าที่ของเขาเป็นได้อย่างเดียวคือรู้อย่างเดียวรู้แล้วใจก็คิดไม่เป็นอีกเพราะอะไรความคิดสมมติว่ามีความคิดผุดขึ้นในใจรู้ได้ไหมอ่าเวลามันคิดเนี่ยตอนนี้เลยถึงว่าโยมเจตนาคิดนักหนึ่งของสามรู้ได้อ่าแล้วก็พอหยุดคิดรู้ได้ไหมรู้ได้ ใจขนาดมันไม่มีมันเป็นความไม่มีแต่มันรู้เวลาคิดก็รู้ได้เวลาไม่คิดก็รู้ได้เพราะฉะนั้นใจจึงไม่ใช่ผู้คิดและก็ไม่ใช่ผู้ยดใจคิดก็ไม่ได้หยุดคิดก็ไม่ได้แต่รู้ได้แปลกไหมใจไม่ใช่ผู้รู้ใจคือผู้ใจคือผู้รู้แต่มันไม่มีตัวมันเป็นความไม่มีนะแต่มันรู้ได้รู้อะไรเวลาคิดใจก็รู้ได้ คำว่าผู้รู้ก็เป็นคําสมมุติคําว่าใจก็เป็นคําสมมตุติแต่จริงๆใจอ่ะมันไม่กระทั่งพูดว่าไม่มีมันก็ยังเป็นคําสมมุติถูกไหมเออแต่ว่าเราต้องเอาคําสมมุติมาสื่อสารเพื่อให้เห็นว่าในธรรมชาตินี้ยมันมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นความไม่มีแต่มันรู้อะไรได้แล้วมันก็ไม่ได้เกิดมาให้ใครเห็น ไม่เคยปรากฏตัวให้ใครรู้ให้ใครเห็นเคลื่อนไหวก็ไม่ได้หยุดก็ไม่ได้เออแล้วเป็นน้ำเป็นบินเป็นไวไหมเวลามีความร้อนเกิดขึ้นอะไรรู้ใจเพราะฉะนั้นใจก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟใจก็ไม่ใช่ดินใจก็ไม่ใช่น้ำใจก็ไม่ใช่อากาศใจก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทั้งหมดนะนี่แหละคืออายตนะนิพพาน ไปถึงนู่นเลยอายจตนิพานคือเชื่อมต่อมีอายจตะนะคือตัวเชื่อมต่อกับนิพพานได้เพราะอะไรเดี๋ยวอธิยกรมาเพราะว่าคําว่านิพพานดูที่สุดแห่งทุกเนี่ยคือไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อใจเนี่ยเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่เป็นอะไรแต่มันรู้ได้มันจึงเข้าใจนิพพานได้ว่านิพพานคือสิ่งที่ไม่เป็นอะไรเหมือนกันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุข ไม่ใช่เฉยๆไม่ใช่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเลยใจมันมีความมันเชื่อมต่อกันคือให้รู้จักคือไปไปเข้าสู่นิพพานได้คือรู้จักนิพพานเพราะมันมีลักษณะที่ว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันยังไงคือไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลยไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นอะไรทั้งหมดจินตนาการไม่ได้ว่าเป็นอะไรทั้งนั้นจินตนาการไม่ได้เลยเพราะมันไม่เป็นอะไรนะเมื่อเป็นอย่างเนี้ใจเนี่ย ในพระในพระไตรปิฎกเขาจึงเรียกว่าอายตนะนิพพานคือตัวสื่อให้ไปถูงนิพพานแต่ใจเนี่ยก็ยังเห็นขันห้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นขันห้านเนี่ยมันทํางานเหมือนเดิมไม่ต้องไปกลัวหรอกผมไม่มีเราแล้วกลัวจะทําอะไรไม่ได้ขันห้ายังทํางานเหมือนเดิมจะเดินจะนั่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เราแล้วเข้าใจด้วยว่าไอ้ผู้รู้ทั้งหลายที่รู้แจ้งรู้จริงรู้ไม่ยึดรู้แล้วไม่เป็นอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นก็คือใจนั่นเองพบใจแล้วก็พบธรรม พบธรรมะใจมีอยู่แล้วก็รู้มีอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสแสวงหาธรรมะที่ไหนอีกเลยเพียงแค่ให้เข้าเข้าถึงใจว่าใจเนี่ยคือผู้รู้รู้ที่แบบมันไม่มีตัวมีอยู่แล้วรู้เนี้ยมันเป็นอตอนแรกบอกว่าไม่มีเนาะตอนนี้มีก็แปลว่าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีแต่มันมีอยู่นะเออนี่ก็ใจอย่างน้ะเป็นสิ่งที่ไม่มี แต่เมื่อพอพูดรวมๆก็คือว่าใจเนี้มันมีไม่มีตัวไม่มีรูปรักษณไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธสันฐานไม่มีปฏิกิริยาไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีอะไรทั้งหมดเอาเป็นว่าที่รู้ได้ทั้งหมดนั่นแหละใจมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วในสัตว์ทั้งหลายมีอยู่แล้วในตถาคตมีอยู่แล้วในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตเห็นั้มที่พระพุทธเจ้าพูดอ่ะเราตถาคตอ่ะ มีอยู่ในผู้แ่งผู้แยงเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องอยากได้อยากมีอยากเห็นอะไรทั้งหมดแล้วเอาแค่รู้รู้นั่นแหละคือพุท ธ, ธคือใจคือใจถึงแล้วถึงใจแล้วพบใจแล้วพบธรรมแล้ ว, ททลวขันห้าก็ยังมีเหมือนเดิมเจ็บเจ็บปวดปวดร้อนๆ้นหนาวหนาไม่ต้องไปกังวลบ้างหรอกว่าทั้งหมดตัวแล้วจะอยู่ยังไงก็ขันห้ามันทํางานเหมือนเดิมแต่เราไม่มี แล้วก็ใจเป็นผู้รู้ทุกเรื่องใจพ้นจากการเกิดแสีจเจ็บตายเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันในชีวิตที่มันเป็นเป็นเนี่ยต้องอยู่กับอะไรต้องอยู่กับใจอยู่กับรู้อยู่กับรู้แต่ไม่ยึดรู้ว่ารู้เป็นเรารู้แต่พึ่งตะพือรู้แต่พึ่งตะพือรู้อย่างเดียวรู้แต่พึ่งตะพือรู้แต่พึทงตะพือเจ็บก็รู้ปวดก็รู้หิวก็รู้ไม่เจ็บก็รู้โอ้ยรู้อย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กับรู้ แต่ไม่ยึดรู้สบมมวนไเนี่ยโอเคเเดี๋ยวแจ้งแล้วพระเจ้าค่ะ <laughs> <laughs> <laughs> เออแล้วตอนนี้ตอนท้ายเนี่ยจะบันทึกเสียงไม้แล้วก็ไปคว่างจบทวนวันนั้นเราพูดบนศาลานะ่ะคือถ้าอย่างว่าเนาะปัญญาถ้ามันไม่เท่ากัน มันจะมีแรงต้านบ้างอะไรบ้างหาพูดนอกเรื่องไม่พูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยคืออาจจะถ้าคนไม่เข้าใจนะแต่จริงๆเนี่ยสุดยอดของสติสมาธิปัญญาแล้วที่พูดเนี่ยเป็นสุดยอดของสติสมาธิปัญญาแต่ไม่ใช่รูปแบบใช้กักกันฟังเนี่ยเข้าใจเลยอะเมื่อเข้าใจเนี่ยเอาความเข้าใจเนี่ยไปใช้ดํารงชีวิตประจาําวันคือแค่รู้อย่างเดียวก็ถูกแล้วแค่รู้ถ้ารู้เมื่ อ, อไหรนะ่นั่นแหละมีสติเรียบร้อยแล้วถ้าโยมเห็น ก็ยินยอมน่าจะดีเต็มสเต็ปสเสเ็ปนี้รู้สึกตัวสเต็ปนี้ขึ้นรู้ขึ้นสเต็ปนี้ยรู้สึกตัวเต็มอัตราสึกแล้วก็ข้าวข้าสเต็ปต่อไปก็ดีมากข้าวคอร์สต่อไปแต่นี้พวกเราเนี่ยทําไมเราคุยได้เพราะว่าผ่านการฝึกรู้สึกตัวมาแล้วได้เห็นอารมณ์มาทุกอย่างแล้วใช่ไหมความม่วงก็รู้แล้ว ความหนาวก็รู้แล้วทุกอย่างรู้มาหมดแล้วแต่มันยังมีความเข้าใจผิดในการปฏิบัติเพื่อจู่ความ้นทุกข์เพราะไปคิดว่าจะต้องดับพวกนั้นให้หมดจะต้องไม่มีอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นถูกไหมไปดับสังขารน่ะไม่ให้มันปรุงแต่งไม่ให้มันคิดไม่ให้มันนึกไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันปวดคือคิดผิดไงนึกว่าถ้าปฏิบัติทำแล้วพ้นจากความเจ็บความปวดความตายก็คือไปกดไปข่มมันแต่จริงพ้นจากความเกิดความตายไม่ใช่อย่างนั้นพ้นก็คือรู้รู้แล้วไม่ยึดถือ เนี่ยเกาเรียกว่ารู้พ้นเออรู้แล้วไม่ยึดอะไรก็ตามที่มีให้รู้เนี่ยไม่ยึดในสิ่งนั้นเออไม่ยึดในสิ่งนั้นรู้แต่พึ้ตาพือแต่ไม่ยึดรู้แต่ที่รู้นะแต่ว่าตามรู้เก็บรู้เก็บมาเขาไม่ยึดเออคือง่ายเลยเนี่ยสูตรต่อไปเนี่ยรู้แล้วไม่ยึดรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยสักไปรู้แล้วก็อย่าไปทําอย่าไปทําให้อาการในจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีก เช่นไปทำให้จิตว่างไม่ต้องจิตคิดจิตนึกก็ได้แต่รู้ไม่ต้องไปทําให้จิตนิ่งถ้าจิตนิ่งมันก็รู้อยู่ดีว่าจิตนิ่งถูกไหมก็เป็นอารมณ์อยู่ดีถ้าไม่สััดมันมันเยอะนะครับอาจารย์เออเยอะก็เราเป็นใจไปแล้วนี่ได้แต่รู้แล้วไงไปเกี่ยวอะไรได้แต่รู้วันมันเป็นอะไรก็รู้อย่างเดียวบังคับอะไรก็คือให้พอจุดอะไรแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอารู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวสมมัยโยมนั่งกรุงชานินะ ถ้าถ้าสมมติกลัวว่าจะไม่รู้โยมพูดก็ได้รู้แล้วรู้แล้วมันคิดเยอะรู้แล้วอย่างนี้ก็อย่างน้อยได้สอนเนาะมันจะได้ไม่คงสั้นลาคาญใจจนเกินไปเช่นถึงว่าวันนี้มีคนด่าเรามันโอ้ทําไมมันจิตปั่นป่วนหมดเลยเนี่ยโยมก็รู้แล้วรู้แล้วนั่งท่องในใจรู้แล้วรู้แล้วคือพูดเนี่ยเหมือนกับแผนตัวรู้อนะแต่ตัวรู้มันไม่พูดไงแต่อันเนี้ยเป็นการประโมใจก็ได้เหมือนกับว่าบอกเครื่องหมายสัญญาณว่าเออรู้แล้วนะว่า กำลังคิดกำลังอย่างโน้นอย่างนี้รู้แล้วรู้แล้วอันนี้ก็ช่วยได้คิดมาช่วยในคํามสุดแท้เออช่วยมารู้แล้วรู้แล้วแต่จริงไงเวลาบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วอ่ะมันรู้มันรู้ไอ้คานี้เลยนะมันมันรู้ไอ้คาที่กําลังรู้แล้วมันไม่ได้รู้ในเรื่องที่ที่มีปัญหาแล้วเพราะเรื่องโน้นอ่ะมันจะดับไปเพราะไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาคิดแทนเออมันคิดใหม่คิดแทนก็เลยไอ้ใจก็มารู้ไอ้คาว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วก็เหมือนกับพุทโธนั่นแหละพุทโธเวลาโยมกลัวผีอ่ะ กลัวผีใช uh, no ่ไหยตอนไม่ไม no ่พุดโธใช่ไหมมันก็คิดเรื่องผีพอคิดพุทโธพุทโธพุทโธมันก็คิดแต่เรื่องพุทโธไงจิตก็มารู้พุทโธผีก็หายดิเพราะว่ามันไม่คิดเรื่องผีมันคิดแต่เรื่องพุทโธเห็นไหมก็เรียนว่าปัญญาพุทโธแล้วผีกลัวค่ะเออที่จริงมันมันเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนเรื่องคิดแล้วก็ใจก็ไปรู้เรื่องคําคําคิดใหม่เนาะพุทโธพุทโธพุทโธเอะมันไม่คิดเรื่องผีผีก็หายดิแต่ถ้าหยุดพุทโธปั๊บมันคิดเรื่องผีผีก็มาเอ เพราะนั้นคำว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยอันนั้นเป็นความคิดเฟังความคิดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวไปปิดกั้นไอ้ความคิดอีกอันหนึ่งมันเหมือนกระจิตมันทํางานที่ลักษณะเนี่ยเมื่อคิดเรื่องพุโทโธไอ้คิดเรื่องนู้นมันก็ดับไปหายไปอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอุบายเพราะงั้นเวลากลัวๆก็พุโทโธก็ไว้ก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นอุบายนะยังไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาจริงอ่ะรู้อย่างเดียวรู้แล้วไม่ยึดเนี่ย รู้แล้วไม่ยึดคือสิ้นสิ้นทุกรู้แล้วไม่ยึดรู้แล้วพ้นรู้แล้วหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายเลยใช่โยมไม่ต้องปฏิบัติไปทําจิตให้เป็นอะไรหรอกมันเป็นยังไงก็รู้อาการนะท่านท่านนึกไม่ออกว่ารู้อะไรก็บอกรู้แล้วรู้แล้วออ้ันนรู้แล้วรู้แล้วหลวงพ่อต้องเขียนหลวงพ่อตงเขียนนะแทนที่ท่านจะบอกว่ารู้แล้วนะท่านแอมเอ้อนี่หมายความว่ารู้แล้วรู้แล้วคือรู้แล้วไง เวลาโกรธนะถึงว่าโกรธ <c oughs> นี่สกัดว่ารู้แล้วรู้แล้วว่าโกรธเอออย่างนี้ก็ได้เนี้ยก็รู้แล้วเออ ไ, ได้เอาวันนี้ชัดมากเลยนะพูดธรรมะเนี่ยนะเออชัดมากเลยแม่ธรรมะรู้แน่ของนะมี อ, อ, อะไรนอกจากนั้นนะอ่เดี๋ยวจับปากัน